กราบน้ำพส ก, การพระอาจารย์เปสารแล้วก็ขอากาศครูบาอาจารย์ทุกท่านแล้วก็ขอากาศเพื่อนธรรมิทุกคนนะครับจะเดินในธรรมแม่ชีแล้วก็นักปฏิบัติธรรมทุกคนเนาะก็นั่งกันตามสบายนะนั่งนั่งฟังธรรมกันตามสบายเนาะให้ร่างกายมันผ่อนคลายนะให้จิตใจ ผ่อนคลายนะนะแล้วก็ฟังฟังธรรมะนะฟังคำพูดนะจากตามาหรือจากผมนะแล้วก็ดูความรู้สึกของตัวเราด้วยเนาะความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นนะกับกายก็ดีกับใจก็ดีเนาะเราก็รู้สึกเรามานะปฏิบัติธรรมเนาะที่วัดป่าสุกโตไม่ว่าเราจะเป็นพระเป็นแม่ชีหรือเป็น คารวาสเนาะเราสิ่งหนึ่งที่เรามีเหมือนกันคือเรามีกายแล้วก็เราก็มีใจเนาะเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันนะจะเป็นจะเป็นใครก็แล้วแต่หรือเป็นสัตว์อย่างอื่นก็แล้วแต่เนาะสิ่งหนึ่งที่เรามีคือมีกายแล้วก็มีใจเหมือนกันแล้วพอมีกายแล้วก็มีใจมันก็ตามมานะนะตามมา เกิดมาเนาะมีกายมีใจตามมาก็คือมีความแก่มีความเจ็บมีความตายนะอันนี้เป็นเรื่องของถิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายเนาะเราก็เรียกเป็นความทุกข์นะของร่างกายก็ได้มีใจก็เหมือนกันนะนะถ้าเราวางใจไม่ถูกนะมันก็มีความทุกข์ใจเนาะทุกข์ใจเพราะอะไรทุกข์ใจเพราะความ เพราะความพัดภาคสูญเสียทุกใจเพราะความไม่ได้ดังใจเนาะปรารถนาสิ่งนี้ไม่ได้สิ่งนี้นะก็เป็นความทุกข์นะไม่ปรารถนาสิ่งนี้ไม่อยากได้สิ่งนี้แต่มันไดนะ้มันก็เป็นทุกข์นะพัดภาคจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์พอมีใจเนาะแล้วนะวางใจไม่ถูกนะมันก็เป็นทุกข์ นั้นทุกคนจะเจอพวกนี้ยนะในชีวิตเราเกิดมามันเลือกไม่ได้เนาะต้องเจอเรื่องที่ทุกกายเจอเรื่องที่ทุกใจนะเป็นธรรมดาเลยนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะก็เพื่อแก้ทุกทางใจนะแล้วก็ลดทุกทางกายทุกทางกายอาจจะทําได้เพียงแค่ลดนะไม่ถึงกับหายเพราะว่า ร่างกายมันจะปฏิบัติทำดีขนาดไหนเนาะก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บก็ต้องตายนะเหมือนการแพทย์นะจะเจริญก้าวหน้าขนาดไหนก็ไม่สามารถจะเอาชนะโรคได้ทุกโรคไม่สามารถที่จะเอาชนะการตายได้ทุกคนก็ต้องตายนะนั่นเรื่องของการของร่างกายเนาะ เราก็เพียงแค่บรรเทานะรักษาไปตามอาการเท่านั้นแต่ที่ว่าบางทีปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำให้ทุกทางกายลดลงนะสังเกตไหมเวลาเช่นยุงกัดก็ดีปวดหัวปวดท้องก็ดีนะถ้าเราปฏิบททัติธรรมเรามีสมาธิมีสติเนะความปวดมันก็จะไม่มาก แต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิจิตของเราไปจดจอ่อแต่ความปวดแต่ความเจ็บเนะี่ยมันจะทุกข์มากอามาหลายคนอย่างที่นี้นะทํางานเกี่ยวกับเกี่ยวกับโรงพยาบาล น, นะหลายคนที่ในที่นี้หรือหลายคนก็อายุขนาดนี้แล้ก็ต้องเจอละเจอญาติที่ป่วยหรือเจอตัวเองที่ป่วยเองนะจะเห็นว่าเรื่องของใจเนี่ยสัมพันธ์กับเรื่องของกายเยอะ บางคนนะเราเห็นผ่าตัดใหม่ๆเนาะถามว่าปวดไหมปวดแต่ทำไมไม่เห็นแสดงท่าทีทุกข์เลย <c oughs> เขาเพราะว่าเขาเห็นความปวดไม่ได้ไปหยุดในความปวดแต่บางคนนะพอปวดหัวปวดท้องหรือผ่าตัดเป็นแผนนิดหน่อยแต่ทำไมร้องเสียงดังเหลือเกิน เพราะว่านะเขาไปจมกับความเจ็บจมกับความปวดเนาะอย่างนามาเห็นชัดๆอย่างเช่นหลวงพ่อคําเขียนนะหรือพระ อ, อาจารย์เพรษหรืออาจารย์กําพลนะปวดมากเพราะโรคมะเร็งเนะี่ยเจ็บมากเพราะการผ่าตัดก็ดีหรือว่าด้วยอาการของโรค ก, ก็ดีนะหมอก็ถามนะหลวงพ่อปวดขนาดไหนหลวงพ่อบอกหมอก็ถามหนึ่งสิบปวดขนาดไหนหลวงพ่อบอกเกินสิบ หลวงพ่อต้องการยาไหมไม่ต้องก็ได้ประมาณว่าหลวงพ่อทนได้นะหลวงพ่อไม่ได้ทนแต่หลวงพ่อเห็นมันไม่ใช่ทนนะแต่คือเห็นเห็นความปวดเห็นความเจ็บนะเป็นส่วนหนึ่งแต่บางทีเราก็แอบอาให้เหมือนกันแหละนะหลวงพ่อจะได้ไม่ต้องทอรมานร่างกายมากนะแต่ แต่คือใจเนาะใจที่ฝึกดีแล้วมันก็บรรเทาความทุกข์ของกายไปได้เยอะนะเพราะว่าใจไม่ทุรนทุรายเนาะแต่ถ้าใจทุรนทุรายมากเนี่ยร่างกายก็ทุกข์มากนะเป็นนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็ตีโพยตีพายเนาะก็ก็ทุกข์มากเหมือนเราเห็นนะบางคนมาโรงพยาบาลเนี่ยก็มาดีๆนะดูเหมือนไม่เป็นอะไร แต่พอผลเอ็กซเรย์หรือผลการตรวจหมอว่าคุณเป็นโรคมะเร็งเนี่ยคุณเป็นนั่นเป็นนี่นะออกจากโรงพยาบาลเดินไม่ถูกเลยนะใช่ไหมอ่แอดมิสเลยทั้งที่หมอยังไม่แอดมินะเพราะว่าใจใจตกแล้วนะไม่ไหวละนะอันนี้คือโรคกลายนะบางทีเป็นแบบนี้หรือบางทีเราทำการทำงานปกติธรรมดาเนาะพอได้ข่าวว่าลูกถูกรถชน พ่อแม่เข้าโรงพยาบาลอาการหนักเนี่ยไองานที่เคยทำได้ปกตินะไม่มีแรงทำข้าวที่กำลังกินอยู่ไม่อยากแล้วเพราะอะไรพอใจเป็นทุกข์ร่างกายก็เลยเป็นทุกข์ตามไปด้วยอันนี้คือเรื่องของใจนะก็ช่วยเรื่องของกายบางทีก็ช่วยให้มันดีขึ้นบางทีก็ทํำให้มันทุกข์เป็นมากกว่าเก่า อันนั้นการปฏิบัติธรรมนะก็ช่วยนะก็ช่วยร่างกายได้ได้เยอะนะออช่วยช่วยร่างกายให้เยอะนในหลายๆส่วนนะเป็นความเจ็บปวดเมื่อยก็ดีนะหรือที่จริงนะญาติธรรมบางคนอาจจะยังอยู่กับโรคอยู่เนาะก็ยังรักเรื่องความสวยความงามอยู่นี้นะอบันทีเขาก็พูดกันนะแบบตลกตลกแต่ก็ เป็นความจริงอย่างหนึ่งนะแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะเขาบอกว่าถ้าเราทำบุญเนาะก็สวยชาติหน้าแต่ถ้าเราทำสัญญกรรมเนาะก็สวยชาตินี้นะแต่จริงๆกาจะมาบอกว่าถ้าเราภาวนาชาตินี้นะก็สวยขึ้นชาตินี้ได้เหมือนกันไม่ต้องรอว่าทำบุญนะจะสวยชาติหน้าหรือบางทีไม่ต้องรอสัญญกรรม ก็สวยได้เนาะมันสวยจากภายในใจนะถ้าใจมันมีความสุขมีความเบิกบานเ น, ะนาะจิตใจมันมีความสุขเบิกบานหน้าตาเราก็ผุดผ่องหน้าตาก็ผ่องใสยิ้มแย้มเบิกบานหน้าตาก็น้อยกว่าอายุหน้าตาก็น้อยกว่าอายุนะเพราะว่าจิตใจมันดีเนาะ ร่างกายก็ดีไปด้วยแต่ก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดหรอกบางทีมันก็อาจจะเกี่ยวกับโครคภัยไข้เจ็บอย่างอื่นก็ไม่แน่นอนเสมอไปแต่ที่แน่ๆเนาะมันก็ช่วยร่างกายได้ระดับหนึ่งแต่ที่จริงเรื่องภาวนาจริงๆเราก็ไม่ได้เน้นเรื่องร่างกายนะไม่ได้ เ, เรื่องร่างกายโดยตรงนะถึงที่เน้นจริงๆคือเรื่องจิตใจนะร่างกายเราก็เพียงแค่เหมือนประมาณว่า อย่างเราทานอาหารบทพิจารณาอาหารก็ไม่ใช่เพื่อแบบประดับตกแต่งไม่ใช่เพื่อความสวยความงามอะไรแบบนีน้ไม่ใช่เกิดกำลังพลังวังชาต่างๆแต่ที่จริงก็เพียงเพื่อว่าให้มีร่างกายนี้นะเอาไปทำประโยชน์เอาไปภาวนาเนาะเอาไปใช้ในทางที่ดีคือเราก็รักษาโรค ก, ก็เหมือนกันนะไม่ใช่รักษาโรคเพื่อว่าอยากจะมีชีวิตอยู่นานๆนะ ยังไม่อยากแก่ไม่อยากตายแต่จริงรักษาโรคเพื่อให้ร่างกายมันดำรงอยู่จะได้เอาเวลามาพัฒนาจิตใจนะจะได้เอาเวลาเอาร่างกายมาทำประโยชน์ต่อตัวเราเองประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยอันเนี้ยนะอันนี้คือเรื่องของประโยชน์นะในการเอาร่างกายมาพัฒนาจิต ในการปฏิบัติธรรมเองนะเราก็อาศัยร่างกายเนะี่ยมาพัฒนาจิตถ้าไม่มีร่างกายนะเหมือนคนตายร่างกายขยับไม่ได้เนะี่ยมันพัฒนาจิตก็ไม่ได้เหมือนกันนะนะร่างกายหายใจก็ไม่ได้เคลื่อนไหวก็ไม่ได้เนะี่ยพัฒนาจิตไม่ได้แต่ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่แม้ร่างกายจะขยับได้นิดหน่อยนะ ก็ยังพัฒนาจิตได้ยังมีลูกศิษย์หลวงพ่อนะชื่ออาจารย์กำพลแต่ก่อนเป็นอาจารย์พระตกเรียกว่ากระโดดน้าแล้วก็คอหักเนาะแต่ก่อนก็คิดว่าตัเองปฏิบัติธรรมไม่ได้นะเพราะว่านอนอย่างเดียวนั่งได้นิดหน่อยแต่ก็มีญาติ ร, รมนะให้เขียนจดหมายมาหาหลวงพ่อคำเขียนบอกว่าผมเป็นคนพิการปฏิบัติธรรมได้หรือเปล่า หลวงพ่อเขียนก็ตอบไปว่าถ้านะถ้ายังหายใจอยู่ก็ปฏิบัติทำได้นะจะดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ได้นะแต่ดูนะไม่ใช่อยู่นะหรือช่างยังพอพลิกมือได้ก็ให้พริกมือรู้สึกตัวนะนะพลิกมือทาความรู้สึกตัวหลวงพ่อบอกแม้เป็นคนพิการนะถ้าหายใจได้ก็ยังปฏิบัติทำได้ หรือพลิกมือก็ยังรู้สึกตัวได้หรือบางทีผมหรือนอมานบางทีไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาล้อส่วนใหญ่เขาก็พาไปดูเคสหนักๆนั่นแหละนะเคสเบาๆก็ไม่ค่อยพาไปหรอกประมาณว่าคงจะไม่ใกล้จะตายพาไปดูเคสหนักๆเช่นเจาะค อ, อนอนเหมือนดับตาไม่ได้สติอะไรต่างๆ เคสไหนที่พอดื่มตาพอขยับได้ก็แนะนำเรื่องการฝึกเจริญสตินะเคลื่อนไหวบ้างตามแต่ที่เขาจะพอดูสนใจก็ไม่ได้ยัดเยียดทุกคนหรอกก็ใครสนใจใครดูมีท่าทีเปิดใจก็ค่อยสอนแต่บางเคสเขาไม่ตอบสนองนะนอนเหมือนเป็นผักนะใช้เครื่องช่วยหายใจมีท่อออกซิเจนต่างๆมีสายน้ำเกลือมี สารอาหารต่างๆให้บางทีเขาอาจจะขยับไม่ได้บางทีก็หายใจด้วยท่อเราก็ไม่รู้ว่าจังหวะการหายใจมันจะมันจะรู้สึกได้มากขนาดไหนแต่มาก็เชื่อว่าการได้ยินเยเขายังรับรู้หรือการสัมผัสเนี่ยเขาก็ยังรับรู้อยู่บางทีก็บอกญาติเวลาเราบีบนวดเนะก็บอกเข้าไปด้วยให้เรารู้ให้เขารู้สึกตัวนะนะ รู้สึกตัวตอนที่บีบที่นวดให้รู้สึกตัวหรือก็บอกนะบางทีก็ใส่คําบริกรรมเนาะอย่างครูบาอาจารย์เมืองไทยก็สอนกันหายใจไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะขยับไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ให้พุโทโธในใจได้ไหมให้ท่องพุโทโธในใจเนาะพุโทโธน ะ, นะให้ระลึกว่าตัวเองกำลังพุโทโธอยู่ พุโทโธนะใจรู้นะพุโทโธรู้ใจของตัวเองนะอันนี้แม้ขยับไม่ได้เลยนะอย่างน้อยถ้าใจยังทำงานอยู่ก็ให้ระลึกถึงพุโทโธนะให้เอาพุโทโธเป็นปัจจุบันถ้าใจดุดออกไปจากพุโทโธก็กลับมาหาพุโทโธใหม่นะรู้ว่าใจเผลอไปนะก็กลับมาใหม่อันนี้คือประเภทว่าทำอย่างอื่นไม่ได้นะแต่อย่างน้อยก็ยังรู้ภาษายัางเข้าใจก็ ให้ระ ล, ลึกตรงนั้นไปแต่พวกเรานะ่ะโชคดีกว่านะยังหายใจได้คล่องยังขยับเขยื้อนร่างกายได้อีกเยอะนะนั้นเราเอาร่างกายเนี่ยแหละนะมาสร้างมาสร้างการมีสติเกิดขึ้นการมีสติเนี่ยคือเป็นทางที่จะออกจากความทุกข์นะถ้าเราไม่มีสตินะก็ออกจากความทุกข์ไม่ได้เมื่อวานนะมีชาวต่างชาติสักหนึง่ง พอดีไปสอนที่กรุงเทพมีชาวต่างชาติชาวอเมริกันนะเขาก็มาถามว่าที่เรายกมือสร้างจังหวะแบบนี้มันจะไ ป, ไปถึงนิพพานได้จริงหรอเขาก็สงสัยน ะ, ะทางที่ปฏิบัติมาสองสาวันอ ะ, อะถามว่ายกมือสร้างจังหวะแบบนี้นะจะไปนิพพานจะพ้นทุกข์ได้จริงหรอเพราะว่าเขาเคยทำแต่ดับตาเนาะทาแบบดับตา นั่งนิ่งๆนะทำความสงบมันสบายเพราะคนเข้าใจว่าปฏิบัติทมแล้วมันจะต้องทำจิตให้สงบทำจิตให้สบายทำจิตให้ไม่คิดเพราะเขารู้สึกเขายกมือสร้างจาังหวะเนี่ยร่างกาย ก, ก็เหนื่อยจิตใจก็ไม่ได้พักเลยมันคิดมากทางเนี้ยมันจะเป็นทางพ้นทุกข์ได้จริงเหรอนะเพราะเขาคิดว่ามันต้องสงบ ต้องสบายต้องไม่คิดนะถึงจะบรรลุธรรมหลายคนก็เข้าใจแบบนั้นแม้แต่ตัวตัวผม ต, วตัวอาตมาเองแต่ก่อนก็คิดว่าปฏิบัติธรรมก็ทำแบบนั้นเหมือนกันเราก็เคยทำนะทำให้จิตมันสงบทำให้จิตมันไม่คิดทำให้จิตมันว่างๆแล้วก็คิดเอาเองว่าเดี๋ยวมันว่างๆ นิ่งๆเดี๋ยวมันจะปิ๊งธรรมะเองปิ๊งอะไรก็ไม่รู้นะมันเหมือนคล้ายๆทําห้องให้ว่างแล้วจะมีอะไรตกลงมาอยู่ในห้องนะอนะเหมือนมีอะไรมาดนบันดาลให้เราบรรลุธรรมทันทีนะคิดว่าต้องทําให้ว่างๆนิ่งๆถึงจะบรรลุธรรมก็เลยเข้าใจเขาเหมือนกันแหละนะก็เข้าใจเขาเพราะว่าเราก็เคยคิดอย่างนั้นเราก็เลยรู้สึกอย่างนั้น เราก็เคยทําอย่างนั้นด้วยนะแต่พอทําไปแล้วก็รู้สึกว่าความว่างมันก็ไม่ใช่ของเที่ยงทําจิตให้นิ่งทําจิตให้ว่างขนาดไหนสุดท้ายมันก็ออกมาออกมาสู่โลกตามความเป็นจริงเหมือนเดิมนะจะสงบขนาดไหนนิ่งขนาดไหนสุดท้ายก็ออกมาเหมือนเดิมยิ่งถ้าเราไม่รู้กับยิ่งติดนั่งเมื่อไยจิตอยากจะสงบ วันนี้ทําความสงบได้ก็ว่าปฏิบัติดีวันนี้ทําความสงบไม่ได้ว่าตัวเองปฏิบัติไม่ดีนะฮะมันมีแต่ดีกับไม่ดีนะมีแต่สงบกับไม่สงบนะแต่ก็โชคดีนะโชคดีที่เจอหลวงพ่อคาเขียนนะที่วัดป่าสุกตโตนะเพราะหลวงพ่อไม่ได้เน้นความสงบไม่ได้เน้นการที่จิตจะต้องไม่คิดแต่ท่านเน้นให้เราทาความรู้สึกตัวนะ รู้สึกตัวเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญมากนะถ้าเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยนะเราจะได้หลักของการปฏิบททัติธรรมนะจะจะปฏิบัติรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะนี่โดยส่วนตัวนะรูปแบบไหนก็ได้ถ้ามีความรู้สึกตัวถือว่าถูกปฏิบัติรูปแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่รู้สึกตัวเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจ ธรรมะในระดับที่สูงขึ้นไปให้เกิดปัญญาได้จริงๆเนาะนั้นสิ่งสำคัญคือทำความรู้สึกตัวรูปแบบไหนก็ได้แต่ในไหนเรามาที่นี่แล้วนะมันก็มีรูปแบบที่ที่ชัดเจนแล้วก็ครูบาอาจารย์สอนเนาะแล้วก็มันก็ได้ผลชัดกับหลายๆท่านคือเราเอาศัยการเคลื่อนไหวของร่างกายนะเป็นการสร้างความรู้สึกตัว ไม่ใช่เคลื่อนไหวกายเฉยๆแล้วก็ใจฟุ้งซ่านอันนั้นไม่ค่อยได้ประโยชน์นะได้เพียงแค่ได้ยุงได้เพียงแค่ออกกำลังกายเนาะได้เพียงแค่ได้เดินทนนะแข็งแรงนะแต่เราเคลื่อนไหวร่างกายให้รู้สึกะจะอะไรก็แล้วแต่นะอย่างเช่นะพลิกมือรู้สึกยกมือรู้สึกวางมือรู้สึก ไม่ใช่ว่าพลิกมือให้รู้สึกว่าพลิกมือไม่ใช่นะพลิกมือรู้สึกยกมือรู้สึกไม่ต้องไปพูดว่าเรากาลังยกมือนะไม่ต้องนะแค่รู้สึกรู้สึกเฉยๆนั่นแหละคือการปฏิบัติเหมือนเหมือนลมกระทบเราอะลมกระทบตัวนะ่ะรู้สึกไหมรู้สึกไหม ต้องคิดไหม <N ic 1> <N ic 1> นี่แหละคือความรู้สึกใช่ไหมความรู้สึกที่มันรู้สึกได้ของมันเองนะไม่ต้องพยายามรู้สึกไม่ต้องพยายามไปคิดหาไม่ต้องพยายามไปค้นหาไม่ต้องไปพยายามไปคิดว่าจะต้องเอาใจไปไว้ที่ตรงไหนนะพอห่างคนนี้นะเขาก็ถามเหมือนกันเนะ่ะถามว่าเนะี่ยเขายกมือสร้างจังหวะเขาต้องเอาใจไว้ที่ไหนเพราะเขาคิดว่าต้องเอาใจไปไว้ที่มือ อาลมาก็บอกว่าไม่ท่องอใจไว้ที่ไหนเขาก็งงไปพักหนึ่งเอ้ยยกมือทำไมไม่เอาใจไว้ที่มือนะแต่ก็มาก็บอกเนี้ยนะลมพัดน่ะรู้สึกไหมนะรู้สึกใช่ไหมใจอยู่ตรงไหนใจไม่อยู่ตรงไหนนะมันก็แค่รู้เฉยๆใช่ไหมหรือพลิกมือปุ๊บนะรู้สึกไหมรู้สึกใช่ไหมรู้สึกที่ไหน อาจจะรู้สึกชัดที่มือนอะแต่เราไม่ต้องเอาใจไปไว้ที่มือเพราะถ้าเราเอาใจไปไว้ที่มือมันจะเป็นสมถะนะมันจะเป็นการเหมือนไปไปคอยเนาะสมมติถ้าเราเอาใจไว้ที่มือก่อนนะเอาใจไว้ที่มือแล้วนะครั้นี้มาพลิกปนะุ๊บเนี่ยมันจะเป็นจิตที่มันคอยดูนะจิตมันอยู่ตรงนี้อีกพบยกปุ๊บเนี่ยจิตก็คอยดูการเคลื่อนการยกแล้วจิตมันมาเกาะหยุดที่ตรงนี้นะ มันเป็นสมถกรรมฐานมันก็ดีได้ความสงบถ้าทำเก่งๆจิตเพ่งๆทั้งนัยก็ไม่คิดแต่ทำไปนานๆก็อาจจะเครียดก็ได้เพราะว่ามันจ้องเกินไปห้ามเกินไปแต่ที่จริงดักจริงๆของการมีสติคือสติการเคลื่อนไหวร่างกายก็ดีหรือว่าจิตใจมันเคลื่อนไหวก็ดีอะไรมันเด่นสติมัน ร, รู้ตรงนั้นเองนะ เมื่อเรานั่งเฉยๆสบายเนะี่ยลมกระทบก็รู้สึกนะเสียงกระทบก็รู้สึกหายใจก็รู้สึกพยักหน้าก็รู้สึกมันก็ไปรู้สึกของมันเองอะไรมันเด่นนะมันก็รู้สึกที่ตรงนั้นนั่นแหละนะแต่เราไม่ต้องเอาเอาใจไปคอยไปคอยหาเอาใจไปคอยดูเพราะที่จริงความรู้สึกตัวมันมีอยู่แล้วนะ ว่าแต่เราเคลื่อนไหวปุ๊บรู้สึกนะไม่รู้สึกก็ช่างมันนะก็เอาการเคลื่อนไหวครั้งใหม่มาเป็นตัวรู้สึกตัวใหม่นะเนะรู้สึกตัวไปที่จริงการทำความรู้สึกตัวนะี่ยคือมันเป็นการรู้แล้วก็จบนะมันไม่ใช่ว่าถ้าเราไปคิดว่าใจมันเป็นสิ่งที่เป็นเป็นตัวเป็นตนเนาะเหมือนเราต้องเอาไปตั้งไว้ตรงนี้เช่น เดี๋ยวก็ใจมาอยู่ที่มือเดี๋ยวก็ใจไปอยู่ที่ขาเดี๋ยวก็ใจไปอยู่ที่ลมเดี๋ยวก็ใจไปอยู่ที่ความคิดมันไม่ใช่นะไ ม, ไ, มไม่ใช่ว่าใจดวงหนึ่งเดี๋ยวก็ไปที่นั่นไปที่นี่ไปที่นั่นไปที่นี่แต่จริงการทำความรู้สึกตัวคือเป็นการเพียงแค่พลิกปุ๊บรู้จบละยกขึ้นรู้จบละมันเป็นจิตคนละดวงที่มัน รู้เสร็จหมดหน้าที่ของมันจบ <c oughs> ยกใหม่ปุ๊บจิตดวงหนึ่งมารู้มันก็จบนะวางลงปุ๊บรู้จบหรือลมกระทบปุ๊บรู้จบมันเป็นการเพียงแค่เห็นว่าจิตมันทำงานในการรู้แล้วก็จบนะหรือจิตที่หลงไปก็เหมือนกันจิตเมื่อกี้มันคิดปุ๊บพอรู้ทันปับ๊บจิตที่คิดเมื่อกี้มันก็จบ เกิดจิตที่รู้ใหม่ะสิ่งสำคัญจริงๆการทำความรู้สึกตัวคือการเนี่ยสร้างสภาวะเพียงแค่รู้สึกรู้สึกจบก็วางไม่มีอะไรไป ม, มากกว่านี้นะเดินแต่ละก้าวก็ดีนะที่เราเรียกว่าเดินจงกรมยกมือสร้างจังหวะก็ดีนะที่เรเรียกว่าปฏิบัติยกมือสร้างจังหวะหรือเราทำกิจวัตรจังอื่นก็ดีนะเพียงแค่รู้สึกไปเรื่อยๆนะรู้สึกไปทีละขณะ รู้สึกไปทีแตขณะนะรู้ได้เท่าที่รู้นะรู้ว่าไม่รู้ก็คือรู้เหมือนกันนะรู้ว่าหลงไปเนาะนะรู้ว่าคิดรู้ว่าหลงใจหลงไปบ้านแล้วนะรู้ว่าหลงไปนั่นไปนี่รักอ่ะก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปเอาเหตุเอาผลกับมันเนาะไม่ต้องไปวิาพากษ์วิจารณ์ไปห้ามมันความคิดมันเป็นของมันเองเนาะเราดูเพื่อเห็นว่า จิตมันคิดของมันเองนะร่างกายมันปวดเมื่อยมันก็เป็นของมันเองนะสิ่งต่างๆมันเป็นของมันเองหน้าที่เราเพียงแค่รู้มันตามความเป็นจริงนะไม่ใช่อันนี้อยากรู้อันนี้ไม่อยากรู้เนาะมันไม่เหมือนวิชาทางโลกบางทีเเรื่องนี้เราอยากรู้เราก็ฟังสนใจเรื่องนี้เราไม่อยากรู้ไม่ฟังไม่สนใจนะแต่การปฏิบัติจริงๆนะอะไรมันเกิดขึ้นมาในกายในใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยากจะรู้หรือไม่อยากรู้นะขอให้เพียงแค่รู้ไว้ขอให้เพียงแค่รู้นะเมื่อเพียงแค่รู้เฉยๆเราจะเห็นว่าความรู้ก็ดีหรือความหลงก็ดีมันก็มีธรรมชาติเหมือนกันคือมันเกิดขึ้นของมันแล้วก็มันก็จบของมันเป็นเพียงเพียงแค่อาการที่จิตมันเกิดไม่ว่าจะเกิดความรู้หรือเกิดความหลง มันก็จบลงไปทีละขณะทีละขณะชีวิตมันก็เป็นเพียงแค่ว่าเป็นเพียงแค่ขนาดหนึ่งเนาะขนาดหนึ่งที่ร่างกายนะเข า, าเขาเคลื่อนไหวเขาทำอะไรก็แล้วแต่หรือขนาดหนึ่งที่จิตมันไปรับรู้หรือขนาดหนึ่งที่จิตมันดงไปเราก็เพียงแค่รู้บ่อยๆนะเนี่ยฝึกแบบนี้บ่อยๆนะเรียกว่าเป็นการฝึกสติ เมื่อฝึกสติเรื่อยๆนะเราจะมีความรู้สึกตัวนะกับชีวิตประจำวันไปได้เรื่อยๆเนาะปฏิบัติในรูปแบบเราก็พยายามมีสตินอกรูปแบบที่เรากินข้าวที่เราอาบน้าทากิจต่างๆก็คือการฝึกสติเหมือนกันเนาะหรือสิ่งที่กระทบนะแล้วมันทำให้จิตกระเทือนเราก็คอยตามรู้นะคอยรู้สึกไปด้วยเนาะเราห้ามไม่ได้นะสิ่งข้างนอก คนจะมาดา่าหมาจะเห่ า, าผลจะตกแดดจะออกเราห้ามไม่ได้แต่เมื่อมันกระทบแล้วกระทบตาก็ดีกระทบหูก็ดีกระทบใจก็ดีเกิดอะไรหวั่นไว้เกิดอาการอะไรคอยรู้ดูเฉยๆเนาะไม่ต้องไปเลือกว่าอันนี้ชอบอยากจะดูอันนี้ไม่ชอบไม่อยากดูอะไรเกิดขึ้นมาเราเพียงแค่ดูนะดูเฉยๆ เราจะเห็นว่าทุกสิ่งที่ดูที่เห็นมันจะไม่เข้าไม่ถึงใจนะมันจะเหมือนแค่เห็นนะเห็นแต่มันเข้าไม่ถึงหรือเมื่อมันเข้าถึงแล้วพอเราเห็นนะมันจะดูดออกไปนะมันจะเม็นแบนันนะมาก็ชอบที่สลงพ่อขียนทั้งเปรียบเทียบนะบอกถ้าเรามีสตินะสติจะคุ้มครองใจเหมือนกับเราอยู่ในมุ้งอยู่ในกฎนะยุงมาตอมนะ มันตอมรอบมุ้งนะมันมาบินมันอยากจะเข้ามากัดนะดูดเลือดสักหน่อยแต่มันเข้าไม่ถึงนะเรานั่งอยู่ในมุ้งเนี่ยก็สะใจนะเห็นยุงมันบินเข้ามาแต่เข้ามาไม่ได้นะก็เกิดความแต่ก็เหมือนคล้ายๆนะเป็นเหมือนคล้ายๆนะเมื่อเห็นกิเลสเนาะเห็นความทุกข์แต่ความทุกข์เข้าไม่ถึงใจกิเลสเข้าไม่ถึงใจเนะนี่ยมันมันมี มันมีความสนุกมมีความสุขในการปฏิบัติถ้าเราเห็นแบบนี้นะมันจะเกิดความเพียร น, นะเกิดความขยันนะไม่ต้องมีใครมาบังคับไม่ต้องมีใครมาเชียร์มาเข้มงวดหรอกเราจะขยันสร้างสติเองนะจะทำอะไร ก, ก็ขยันสร้างสตินะในรูปแบบนะมีเวลาว่างหรือว่าจัดสันเวลาก็ทำในรูปแบบก็สร้างสติไปนะไม่จาเป็นต้องพูดก็ไม่พูดนะ ไม่จาเป็นต้องไปทำการงานอย่างอื่นก็ไม่ทำก็ทำแต่การฝึกสติหรือถ้ามีการงานอย่างอื่นจาเป็นต้องทำก็ทำอย่างมีสตินะไม่ใช่ทำไปฟุ้งไปพูดไปคุยไปคิดไปนะแต่พยายามจะทำอย่างมีสติให้มากที่สุดนะก็ทำเท่าที่ทำได้นะจิตใจก็ทำแบบไม่ทำเพื่อหวังจะเอาอะไรนะแต่ทำเพียงแค่รู้สึกนะรู้เสร็จก็จบนะไม่ใช่ทาเพื่อจะเอา อยากจะเป็นพระอรหันต์อยากจะเป็นพระโสดาบันอยากจะเป็นครูบาอาจารย์อยากจะเป็นให้เขานับถือให้เขาศรัทธาเลยก็ไม่ได้ทำอะไรเพราะปฏิบัติธรรมจริงๆนะเป็นการทำเพื่อเพื่อสระนะสระอะไรที่มันไม่ดีนะ่ะออกไปนะอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันหลงนั่นแหละสระออกไป ถลาออกไปนั่นแหละคือบุญถลาออกไปนั่นแหละคือการภาวนามีครูบาอาจารย์วัดป่ารูปหนึ่งนะมีโยมเขาถามว่าอ า, อาจารย์นะทำบุญเนะี่ยทำแบบไหนครูบาอาจารย์ก็บอกว่าโยมเคยเข้าป่าไหมนะอาจจะ บ, บ้านนอกข้างหน่อยเนาะไปเข้าป่าเออแล้วโยมไปขี้ในป่านะ่ ยอมขี้เสร็จแล้วยอมออกมาเนี่ยยอมไปคอยดูแม้ว่าขี้ที่ยมขี้ออกไปนะ่ะอะไรมันจะมากินอะไรจะมาตอมไหมบอกไม่เจ้าค่ะเออนั่นแหละเวลาเราทำบุญก็ดีนะปฏิบัติทำก็ดีให้ทำเหมือนเราไปขี้นั่นแหละนะคือทำไปได้อย่าไปห่วงว่าจะได้อะไรอะไรจะเกิดขึ้นกับไที่เราทำนะทำแล้วก็ทิ้งประมาณนะ่ะท่านก็บอกคือทำแล้วก็ทิ้งน่ะ ทำทานก็ทิ้งนะอย่าไปคิดว่าทำทานแล้วต้องได้ผลของทานนะรักษาศีลก็ต้องได้รับอนิสงค์ของศีล น, นะภาวนาก็ต้องได้นั่นได้นี่รู้นั่นรู้นี่แต่จริงถ้าเราทำด้วยการทิ้งนะจบเพียงแค่ได้ทำเหตุที่ถูกก็ดีแล้วก็ถูกแล้วจบที่ตรงนั้นนะทำดีก็จบที่ดีไม่ต้องว่าทำดีต้องได้ดีนะ รู้สึกตัวก็แค่รู้สึกตัวตอนนี้นะมันก็จบคิดจริงมันก็ได้ผลทันทีนะไม่ต้องารอเราเป็นอะไรพอที่พอทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวปุ๊บมันมีสติเนาะมันก็ไม่ทุกนะมันก็ไม่หลงมันแก้ทันทีเลยนะหลงไปคิดปุ๊บ ก, กิเลสเกิดขึ้นปุ๊บมีสติดูทันปับ๊บกลับมาเป็นปกติกลับมาเป็นไม่ทุกข์แล้วเนี่ย มันก็ได้ตรงนั้นแล้วนะไม่ต้องไปรอได้ที่อนาคตไม่ต้องรอได้ว่าเราเป็นอะไรมันทําแล้วก็จบแต่แม้แต่ความรู้นะก็ไม่ไปยึดเหมือนกันนะนะมีสติปุ๊บก็วางเหมือนกันนะก็ดูใหม่ไปเรื่อยนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่เรามีประสติมีสมาธิเราจะเอาจิตที่มีสติมีสมาธิไปประคองให้มันรู้ตลอดนะอันนั้นก็ไม่ถูกนะ บางทีนะักปฏิบัติบันทีใหพอเริ่มจับได้แล้วจะแบบคล้ายๆพอรู้ว่าใจต้องวางแบบนี้ยมันจะเหมือนคล้ายๆต้องทําใจแบบเนี้ยตลอด เ, ออเพ่งขนาดนี้พอดีเคลื่อนแบบนี้พอดีนะทําซึมๆแบบนี้ยพอดีมันจะเหมือนต้องแบบคอยประคองต้องคอยรักษามันที่จริ ง, รงไม่ใช่นะรูปุ๊บจบนะรูปุ๊บจบรู้ไปเรื่อยๆนะ มันก็จะมีสติไปเรื่อยๆของมันเองนะี่ยมันคือเรื่องของการปฏิบัติเนาะก็ก็ได้รับโอกาสจากอาจารย์ไพศาลแล้วก็เพื่อนทำมิกก็เพื่อมาพูดคุยเนาะเป็นกันยาณมิตรแล้วก็จะเป็นคล้ายๆทุกคนก็เป็นกันยานมิตรกับผมก็จะมาได้แหละเพราะว่าเราก็ยังอยู่ในช่วงของการเดินทางเหมือนกันเนาะ แต่การเดินทางตัวนี้มันรู้สึกไม่ไม่เป่าเปี่ยวไม่เดียวดายเพราะว่าได้เห็นผู้ที่เดินทางไปก่อนนะอย่างเช่นหลวงพ่อคำเขียนนะเห็นตัวอย่างที่ท่านเดินทางแล้วก็ไปถึงปลายทางได้อย่างหมดจดเนาะแล้วก็มีเพื่อนนะักปฏิบัติธรรมอีกร้ายท่านที่ก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับเราหรือแม้แต่วิธีการอื่นที่เขาปฏิบัติรูปแบบอื่นแต่ถ้ามีสติก็ถือว่าเป็นเพื่อนเหมือนกันนะ เพราะว่าถ้าเรามีสติปลายทางก็คือความไม่ยึดมั่นถือมั่นความไม่ทุกเนี่ยก็มีเหมือนกันก็ถือว่าเป็นกัญณมิตรเหมือนกันเนาะก็ถือโอกาสนี้ก็ขอเป็นกัญญมิตรเนาะก็มีอะไรพอรู้บ้างก็อาจจะบอกหรือพวกท่านมีอะไรที่รู้มากกว่าก็ขอให้บอ ก, ข อ, บอกขอให้ตักเตือนกันได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปนะครับ การพระม